เชิญเชิญพี่น้องประชาชนที่รักเคารพนับถือมาร่วม ง, งานถึงหลวงพ่อจึงถือว่าเป็นวันมงคล ม, มหามงคลยิ่งเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเองได้มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ที่กำลังพูดกำลังแสดงความคิดเห็นเพราะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเขตอำเภอนายงานามสมของพวกเรา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 ต้องระวังอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกอันไหนมันควรไม่ควรให้คณะสัตยาติโยมลูกหลานทุกคนให้สํารวมกายวาจาใจของตนเองอย่างที่เมื่อไม่นานมาเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วสัตยาธิยมมาจากกรุงเทพเข้ามาเขามากราบหลวงพ่อใกล้ๆหลวงพ่อเอ๊ะเขามาอะไรในวางวะเขามากร่าวเาะว่าหลวงพ่อเจ้าขาเนี่ย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 เงือขึ้นมาก็ตีหัวภาษาลิบุตรดเลยภาษาลิบุูดนั่งเข้าฌานสมาบัติเนีมันก็ตีอย่างแรงขนาดขนาดแผ่นดินแข็งๆเนี่ยนะยบลงไปถึงถึงเอวว่างั้นนะแรงขนาดนั้นแหละไอ้คอนของไอ้ ข, ของราวกระยักษแต่ว่าภาษาลิบุูดท่านเข้าฌานสมาบัติท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าเมื่อเราเข้าฌานสมาบัตรร่างกายของเราเป็นยังไงให้อยู่อย่างนั้น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 ให้สํารวมกายว่าใจาใจของพวกเราใครๆก็ไม่ปราถนาทั้งนั้นละความทุกความทุกอยากลำบากทุก อ, อกทุกใจำลำบากกายลำบากใจพวกเรามีแต่อยากจะมีความเจริญรุง่งเรืองร่ารวยโชคดีด้วยกันทุกคนนั่นแะแต่บางสิง่งบางครั้งใจของเราก็ถลําออกไปอย่างที่ว่านะประเภทหมาบ้านะตอนนี้ไปพระนสง์จะาหนุโมถนาให้พรนระสนีนะ